ตอนที่สองแต่วันนี้จะพูดถึงเรื่องของโลกธรรม8โดยเฉพาะสตัวที่จะมีอิทธิพลเป็นเครื่องวัดเราว่าเราเนี่ยน่าจะยังประโยชน์ตนประโยชน์ท่านของเราให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทได้ไหมนะสี่ตัวก็คือลาบ ยศสารเสรเิญแล้วก็สุขนะสี่ตัวนี้ซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเราเป็นคนมีกิเลสถ้าเราไม่ระมัดระวงังไม่ตัวจิตตัวใจเราให้ดีเนี่ยแม้ว่าบางทีเราจะทาประโยชน์ท่านเนี่ยทำประโยชน์ให้คนอื่นสีตัวนี้จะเข้ามาทันทีเลยโดยอัตโนมัติแม้ว่าเราจะทำประโยชน์ท่านให้คนอื่นโดยที่ เราเนี่ยคิดว่าเราจะไม่ให้มีสี่อย่างนี้เกิดขึ้นหรือถ้าเกิดขึ้นมานะซึ่งนี้ไม่พ้นว่ามันต้องเกิดเรา อ, อย่างเช่นเราพยายามทําดีนะเราตือ้อศีเราปฏิบัติธรรมพยายามไม่ประมาทพยายามสํารวมสบามบูรระมัดระวังอาหารการกินระมาัดระวังเรื่องของศีลไม่ให้ไปผิดศีลคุณยิ่งระวังตัวดีใช่ไคุณมีความสงบสารวมดี คุณเชื่อไหมคนเขายิ่งศรัทธาใช่ไหมถ้าเป็นพระเนี่ยคนเขาก็ยิ่งโอโ้โหศรัทธาพระรูปนี้นี่ท่านดีนะท่านเก่งครัตนะท่านสํารวมน ะ, ะคนก็ยิ่งโอโ้โหเคารพยิ่งศรัทธาเพราะฉนั้นลาบก็จะมาแหละแน่นอนเลยลาบก็จะมาและจะมาไม่น้อยด้วยยิ่งคุณสามารถยังศรัทธาให้เกิดขึ้นได้มากเท่าไหร่ ลาบลาบนี่คืออะไรข้าวของวัตถุเงินทองหรือแม้แต่ลาบจริงๆก็จะมาลาบลาบอะไรลาบก้อยลาบอะไรพวกนี้แม้แต่ลาบจริงๆก็จะมาเพราะว่าอะไรเขาก็จะเอาอาหารการกินใช่ไหมโอ้เอาอะไรต่างๆมาถวายไม่ใช่แค่วัตถุข้าวของอย่างอื่นเท่านั้นทุกอย่างเลยเขาจะบริการอย่างดีแต่เราเริ่มด้วยตัวลาบตัวแรกก่อน เพราะฉะนั้นดูนะเขาจะมาปราราณาถ้าเป็นพระนะถ้าเป็นพระเขาจะมาปราราณาท่านต้องการอะไรไหมค่ะหลืออะไรไหมนะเท่าไหร่ยังไงบางทีแล้วคุณสังเกตไหมถ้าเป็นญาติโยมเนี่ยอยากจะถวายข้าวของอะไรกับกับนักบวชที่เราศรัทธาเนี่ยบางทีเนี่ยบอกไปแค่เนี้นะแต่เวลาโยมเขาจะ ไปหาซื้อมาให้อย่างเงี้ยสมมติว่าเขาจะมาถวายสองอย่างนะที่จะเกิดขึ้นอย่างหนึ่งก็จะเอามามากเกินกว่าที่ที่บอกนะอย่างแรกนะปริมาณอย่างที่สองโอ้โหบางทีเราบอกไปแค่นี้แค่ น, คนี้พอใช้แล้วแต่เขาจะเอาคุณภาพอย่างดีมาให้เพราะอะไรเพราะเราเคารพศรัทธาแล้วเรารู้สึกว่าจะเป็นบุญสําหรับเรามากๆอ่ะใช่ไหมเพราะเราก็จะ หาอย่างดีอ่ะเพราะนั้นสองอย่างเนี้จะตามมาแม้แต่ลาบที่จะได้รับยังเป็นลาบที่อออืืของดีนะอ่าของชั้นยอดชั้นเยี่ยมนะแล้วเขาก็จะถวายมากๆด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเข้ามาแน่นอนเลยสิ่งเหล่านี้เพราะนันถ้าตอนนี้เราไม่ได้เป็นพระละหันจะแม้ จ, จะเป็นนักบวชก็ตามหรือจะเป็นครวาสก็ตาม เราปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไปเนี่ยล่าพวกนี้จะเข้ามาเมื่อเข้ามาคราวนี้กิเลสเรายังมีอ่ะเรายังไม่ใช่เป็นคนหมดกิเลสอ่ะคุณว่ามันมีผลบ้างไมนะคุณว่าจะมีผลกับจิตใจคุณบ้างไหมมีผลแน่นอนอยู่แล้วเพียงแต่ว่าถ้าของนั้นเราไม่ได้ ชอบอะไรสักเท่าไหร่ใช่ไหมไม่ได้เป็นของที่เราติดใจสักเท่าไหร่อาจจะมีผลน้อยหน่อยแต่ถ้าเป็นของที่โอ้โหเราชอบอยู่แล้วเราอยากจะได้ใช่ไหมแล้วเขาก็มาให้แหมตรงสเปคเลยตรงใจของเราเลยนะโอ้โหเราจะยิ่งชื่นชอบใหญ่เลยวันคราวนี้แหละอันตรายมันจะเกิดก็ตอนนี้แล้วคุณจะประมาทหถ้าไม่ประมาทใช่ไหม เราจะยังประโยชน์ตนประโยชน์ท่านของเราตอนนี้มาดูที่ประโยชน์ตนของเราแล้วดูนะประโยชน์ตนของเราเมื่อวานนี้ก็บอกให้ฟังว่าประโยชน์ตนคือกิเลสของตัวเรานี่ลดลงประโยชน์ตนไม่ใช่ได้ลาบมาเยอะแล้วเป็นประโยชน์ตนอันนั้นไม่ใช่ประโยชน์ตนลาบยิ่งมามากเท่าไหร่เนี่ยถ้าถ้ากิเลสเราหรือความโลภเราเกิดขึ้นอันนี้แหละคุณจะเสียประโยชน์ตนนะ มันจะต้องให้รู้นะว่าว่าจะต้องร ะ, ระมัดระวังประโยชน์ตนของเราอย่างไรวันนี้ข้เนี้ยิ่งมันมามากใช่ไหมคุณก็ยิ่งต้องต้องระวังตัวไหนฮะยิ่งต้องระวังตัวไหนเนี่ยมีคนเอาโน่นเอาอันนี้มาให้มากมากจะต้องระวังตัวไหนถ้าเราจะระวังตัวเราเนี่ยจะต้องระวังยังไง <c oughs> ก็ถูกแล้วแหละนะเมื่อวานนี้ก็พูดว่าที่พระเจ้าท่านตัดสังขารทั้งหลายก็มีความเสื่อมสลายคือมีการเปลี่ยนแปลงนั่นเองนั่นะมันเป็นธรรมดาสังขารเนี่ยโดยเฉพาะความรู้สึกนึกคิดของเราตอนแรกเราก็ว่าเรามั่นคงดีตอนแรกเราก็ว่าเราแข็งแรงดีเราตั้งใจจะถือศีลปฏิบัติทำไปแบบแหมหนักแน่นมั่นคงนะอย่างกับเสาหิน แท่งใหญ่ชนิดที่เรียกว่าลมพัดก็ไม่ไหวเองน้าสัดก็ไม่สันน่นคลอนนะเราก็ว่าเราอย่างนั้นนะแต่บางทีเนี่ยเอาลาบเริ่มทยอยมานะมันไม่ใช่ลมไม่ใช่น้ำสิคราวนี้มันเป็นวัตถุเป็นข้าวของเป็นเงินทองเป็นของที่เราติดอกติดใจของที่เราชอบมันสั่นคลอนนะคุณ <c oughs> พอบอกแล้วว่าเราไม่ใช่พระอระหรันต์ เพราะฉะนั้นอันเนี้ยจะประมาทไหมละ่ะเพรา ะ, ะถ้าผู้ที่เรามัด ร, ระวังอยู่เนี่ยจะคอยเตือนสติตัวเองจะคอยบอกตัวเองว่าราบนี่เป็นอันตรายอันแสบผิดแม้แต่พระอริยเจ้าพระอระหันนะเราเนี่ยมันขนาดไหนอะ่ะเพราะฉะั้นต้องระวังอันนี้วิธีระวังก็คือของไหนเนี่ยพระเจ้าสอนให้เรามักน้อยสันโดษความมักน้อยสันโดษ เป็นเครื่องป้องกันลาบความมักน้อยสันโดษเป็นเครื่องป้องกันลาบที่มันจะเข้ามาหาเราเยอะๆมากๆเพราะฉะนั้นดูสิจำเป็นต้องใช้เออเอามาตามที่จำเป็นบางทีเขาเอามาซะตั้งเยอะเนี่ยจริงเราอาจจะรับทั้งหมดก็ได้แต่เรารับทั้งหมดแต่เราจำเป็นต้องใช้สมมติว่าเออบางทีเนี่ยบอกว่าเออช่วยหาปากกามาให้สักแท่งหนึ่งนะประดีหมึกหมด บางกวดว่าเข้ามาโหลหนึ่งจริงๆเนี่ยเราเราต้องการใช้เนี่ยแค่แท่งเดียวเองแต่เข้ามาถวายโหลหนึ่งเอาจริงเราอาจจะรับทั้งโหลหนึ่งแต่เราเก็บไว้ใช้อันเดียวสิเพราะเราจําเป็นต้องใช้แค่อันเดียวนอกนั้นก็เอาออกเลยไม่ต้องเก็บไว้นะบริจาคหรือว่าให้ใครเข้าไปได้ให้ไปเลยเรายังคงใช้อยู่ด้านเดียวหรือว่าแท่งเดียวเหมือนเดิมนี่นี่นี่คือเครื่องป้องกันลาบ หรือยิ่งถ้าเป็นเงินทองนะถ้าเป็นพระเนี่ยผู้เจ้าถึงถึงห้ามรับเงินรับทองนะนี่ท่านป้องกันไว้นะคุณคิดดูถ้าเป็นพระจะได้ไม่ต้องมายุ่งเกี่ยวนะเพราะว่าท่านเปรียบ เ, ง, เงินทองนี่ไว้เหมือนกับอะไรเออเหมือนอสรพิษร้ายนะซึ่งมันสามารถจะฉกกัดทำร้ายทำลายเราเนี่ยให้ถึงแก่ชีวิตถึงแก่ความเจ็บปวด ถึงกับความทุกข์ทรมานถึงกับความตายได้เพราะฉะนั้นเนี่ยท่านก็เตือนแล้วก็ห้ามกันเอาไว้ยิ่งเขานี้ถ้าเป็นเงินทองเข้ามาถวายใช่ไหมถ้าเป็นพระท่านที่นี่เราเนี่ยสมณะชาวโศจริงๆแล้วพ่อท่านถึงไม่ไม่ได้ให้อนุญาตที่จะรับนะยกเว้นสมณะผู้ใหญ่ที่ท่านบริหารหรือว่าท่านทํางาน ที่ที่สําคัญแล้วญาติโยมเขาก็รพศรัทธาเขาก็อาจจะถวายท่านนะส่วนจริงๆแล้วเนี่ยพระบวชใหม่พระบวชไม่นานหรือพระลูกวัดตัวเล็กตัวน้อยไม่จําเป็นต้องไปรับอะไรทั้งสิ้นเลยนะเขาศรัทธาเขาอยากถวายก็เอา้เอาวอาไปถวายพระผู้ใหญ่เนี่ยเราบอกซะอย่างนี้ก็ได้หรือเรามีส่วนกลางอย่างเงี้ยใช่ไหมเขาอยากจะถวายเอาสร้างอะไรอะ่ะจะสร้างพระวิหารอา อา้าส่วนกลางมีนะคุณเอาไปให้ที่ที่ประชาสัมพันธ์ไอ้ที่ตรงห้องเทปเลยก็ได้เนี่ยส่วนกลางไปเลยคือเราไม่ต้องไม่ต้องรับมาก็ได้นาะยกเว้นบอกแล้วว่าถ้าเป็นพระผู้ใหญ่เป็นอะไรเงี้ยซึ่งบางทีญาติโยมก็ยังติดใจในเรื่องพวกนี้นะว่าต้องถวายให้ด้วยมือท่านไอ้อย่างนี้บางทีก็อ้าวก็ให้พระผู้ใหญ่ท่านรับแล้วท่านรับเสร็จท่านก็ เอาออกทันทีเพราะถ้าไม่เอาออกทันทีมีอาบัตมีความผิดเพราะอันนี้พระเจ้าท่านกำหนดไว้เรียบร้อยแล้วบัญญัติไว้เรียบร้อยว่าถ้ารับเงินรับทองแล้วมาเก็บเอาไว้อยู่นะถือว่านิสกิยาปะจิตตีคือจากบริสุทธิ์ได้ต่อเมื่อเงินทองที่รับมาแล้วนี้เอาออก จากที่ตัวเองเก็บเอาไว้ถึงจะเป็นผู้บริสุทธิ์ได้ถ้าตาบด้ยังเก็บเอาไว้อยู่ถือว่าเป็นผู้ไม่บริสุทธิ์เนี่ยไม่สะอาดแล้วนะถ้าเก็บเอาไว้นี่สำหรับนักบ ว, วเชเญญพราะฉะนั้นลาบที่เป็นทรัพย์สินเงินทองเป็นของมีค่านี่แหละอันตรายเหมือนอส ร, รพิษเห็นไหมคุณคิดดูนะนี่ขนาดกับพระกับนักบวชพระเจ้าท่าบัญญัติ เตืนนอนบัญญัติห้ามถึงขนาดนี้แล้วคราวนี้อ่าวมาถึงขราวาสซึ่งจริงก็จำเป็นต้องใช้เงินทองถูกไหมแต่คุณคิดดูสิขนาดนัก บ, บวชนะจะว่าไปท่านมีศีลมากกว่าเราคือท่านลดละกิเลสได้มากกว่าเราอ่าท่านยังต้องบ้องกันตัวขนาดนั้นนะแต่ตอนนี้พวกคุลฆราวาสคุณคิดดูกิเลสก็ต้องถือว่ามากกว่าเพราะศีล น, น้อยกว่าอ่า ศีลในที่นี้หมายถึงว่าผู้ที่ประพฤติปฏิบัติได้จริงนะอะเมื่อศีล น, น้อยกว่าเนี่ยแสดงว่ากิเลสเราก็มากกว่าเมื่อกิเลสมากกว่าแล้วจริงเราก็ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเหมือนกันคนเขาก็ศรัทธามีนั่นเนี่ยคนที่มาอยู่สันติโศขเนี่ยแล้วก็ปรากฏว่าอญาติโยมเขาก็รู้ว่าเอามาอยู่ช่วยงานวัดแล้วไม่มีเงินเดือนไม่มี เงินทองอะไรแล้วอ่นะเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยเขาให้เลยนะให้เหมือนถวายพระเลยละ่ะเพราะเขาก็คิดว่าเป็นพระระดับหนึ่งเพราะฉะนั้นเขาก็ให้จริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยบางคนที่มาอยู่วัดแล้วนี่ได้ลาบทุกที้เหมือนกันแต่ตอนนี้อาตมาถึงเตือนว่าเรามัดระวังดีหรือเปล่าเรามัดระวังพอหรือเปล่าถ้าไม่เรามัดระวังคราวนี้สิ่งที่จะตามมา เรายินดีเราพอใจเราติดหลงได้นี่หมายถึงในแง่ที่เราติดหลงนะยินดีพอใจก็อยากจะได้อีกอยากจะได้มามากๆเป็นไปได้เลยนื่อพราะขนาดภิกษุก็ตามนะัขนาดเคร่งครัดปฏิบัติโอโหอย่างดีอย่างยอดเยี่ยมนะลาบเนี่ยขนาดไม่ใช่ลาบพวก ทรัพย์สินเงินทองนะเพราะว่าโดนข้อบัญญัติห้ามไว้อยู่แล้วแต่ราบแค่อาหารการกินเนี่ยมาถวายที่ที่ท่านเคยชอบฉันท่านเคยอร่อยอย่างเงี้ยถวายบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆเขายังบางทีเนี่ยนะเอ๊ะทำไมวันนี้ไม่มีมาเริ่มได้เหมือนกันนะจริงๆเลยคุณเพราะเนี่ยถ้าไม่รนะมัดระวังนะเสร็จจริงๆเลยเนี่ยแม้วัตถุเข้าของอื่น หรือบางทีเราเคยโอ้โหเราเคยได้ใส่กีวอนเราเคยได้ใส่ผ้าแม่ผ้าฝ้าแม่ผ้าเนื้อยางดีอย่างนี้อย่างนี้นเสร็จคราวนี้จะใส่ทีไรก็ต้องผ้าอย่างนี้นะถ้าไม่ผ้าอย่างนี้นี่ไม่ใส่นะอ่ะอ่ะชักติดแล้วสิถ้าอย่างเนี้ยชักติดใจในลาบนั่นแหละแล้วคราวนี้คารว่า วันโอกาสของคารวะเนี่ยที่จะติดใจยินดีในลาบอันนี้ยิ่งมีมากกว่านักบวชเข้าไปอีกเพราะว่าอะไรเพราะมีเงินมีมมทองเองด้วยนะแล้วก็คนอื่นที่เขาเคารพเขาศราัทธาถ้าเรามีศีลจริงเนี่ยโอ้โหเขาก็ให้ให้เยอะให้มากด้วยแต่ส่วนใหญ่เนี่ย ที่จะเป็นแง่อันตรายกว่านักบวชก็คือเขาจะให้ซีสว่หมายถึงว่าเขาจะให้ตามกิเลสเราเนี่ยมากกว่ามากกว่าให้กับนักบวชเพราะนักบวชเนี่ยเขายังค่อนข้างว่าท่านถือศีลท่านปฏิบัติทำใช่ไหมท่านต้องมาลดละ ก, กิเลสเพราะบางทีเนี่ยบางอย่างเขาไม่ให้ตามใจท่านสักเท่าไหร่หรอกแต่ถ้าเป็นครวาสโ ด, ดยกันนะ่เขาก็คิด เหมือนกับกิเลสเขาอ่ะเพราะว่าเป็นฆราวาสด้วยกันวันบางทีเนี่ยเขาชอบอะไรใช่ไหยเขาก็จะเอาอย่างนั้นอะให้ให้ฆราวาสด้วยกันบางทีถ้าเขาชอบกินเหล้าเขาจะเขาจะเอาเหล้าอย่างดีมาให้เออถ้าสมมุติว่าเราไม่ใช่แบบว่ามีศีลที่เข่งคัดอะไรนะเขาก็จะให้อย่างที่เขาอยากจะให้แต่ถ้าจะมาให้นักบวชเอ๊ะก็รู้อยู่นะว่าไม่ควรให้แน่นะ สุราหรือว่าของเสพติดอบอายมุกพวก น, นี้ไม่ควรให้เขาบางทีเขาก็ไม่กล้ามาให้อแต่คารวะดโดยกันเขากล้าเพราะเขาเขาไม่คิดว่าเป็นพระนี่แต่เขาเขาลบศรัทธาว่าปฏิบัติดีปฏิบัติตชอบอาจจะศีลห้าอาจจะศีลแปดเพราะะเขาจะให้ว่าอันตรายของเราถึงบอกว่าโอ้โหคุณต้องวัดจิตวัดใจคุณให้ดี ว่าคุณติดไหมคุณหลงไหลไหมโดยบอกเราใช้วิธีมักน้อยเอาไว้ถ้าตาบใดเนี่ยคุณยังสามารถมักน้อยอยู่ได้นะเราใช้ในสิ่งที่เรามีในสิ่งที่เราจําเป็นเสื้อผ้าคุณมีอยู่กี่ชุดซึ่งคุณว่ามันจําเป็นที่ยังใช้สมมติประมาณสักเอา้ายกผลประโยชน์ให้7ชุดเอา้าสมมตินะคุณต้องใช้สัก7ชุดเนี่ยคุณมากน้อยที่สุดแล้วของคุณเนี่ยเดชุด ดีไม่พ้นเดี๋ยวเพื่อนฝูงบ้างแม้ให้อะไรนะให้ของขวัญบ้างวันไอ้นนท์วันไอ น, น, นี่อะไรเดี๋ยวมาให้เรามั่งโอ้โหให้มาให้มาก็หลายชุดเข้าไปแล้วใช่ไหมแล้วบอกแล้วบางทีเราก็มีเงินเองอยูเรายังซื้อมาอีกอะ่ะใช่ไหมเพราะนั้นคนยิ่งมาให้เราเนี่ยของพวกนี้จะมากขึ้นแต่ถ้าคุณเนี่ยคุณไม่ประมาทแล้วคุณรักษาประโยชน์ตนของคุณได้คุณก็ เชุดมันพอแล้วถ้าสมมติเกิดจะมีมาเพิ่มอีกอย่างเงี้ยเออไอ้ชุดนี้นะเอาเอ า, เอาชุดนี้ยังใหม่อยู่สวยดีนะก็อาจจะเอาออกไปให้คนอื่นเขาไปซะเอาชุดนี้เรายังใส่เรายังใช้งานอยู่แล้วก็เก็บเอาไว้ในที่สุดกูก็ยังเก็บไว้เจ็ดชุดถ้าอย่างนี้แสดงว่าคุณยังปลอดภัยคนเขาจะเอามาให้คุณเป็นร้อยชุดพันชุด แต่คุณก็เก็บไว้แค่เจ็ดชุดที่คุณจะใช้ถ้าอย่างนี้คุณป้องกันตัวไว้ได้คุณไม่ประมาทแต่ถ้าคุณหลงแล้วคุณละเลิงใจนะเพราะว่าแหมคนเข้ามาให้เยอะเราก็ฟูใจเราก็ดีใจนะเออไอนี่ก็สวยไอนั่นก็สวยเก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้คราวนี้ละเจ็ดชุดเอาไม่อยู่แล้วคุณมันจะเป็นสิบมันจะเป็นยี่สิบจะไปเรื่อยละคราวนี้ ประโยชน์ตนคุณไม่ได้แล้วคุณเริ่มเสียประโยชน์ตนเรื่อยๆแล้วอ่าเห็นไหมนี่นี่ประโยชน์ต น, รนเริ่มเริ่มเสียแล้วนะเริ่มหมดไปเรื่อยๆแต่ประโยชน์ท่านคุณคราวนี้นับดูนะประโยชน์ท่านนะเพราะเขาเคารพเขาศรัทธาคุณหรือเขาชื่นชมคุณใช่ไหมคราวนี้เขาชื่นชมเพราะคุณเนี่ยเอาของให้คนอื่นเขาคุณเอาของแจกคนอื่นเขาสมมตินะหรือคุณไปช่วยเหลือใครเขาอย่างเงี้ยนะ หมายถึงว่าเมตตาเขาคุณช่วยเขาก็เป็นประโยชน์ท่านไงใช่ไหมเพราะว่าเราช่วยคนอื่นปรากฏว่าเรายิ่งช่วยคนอื่นออกไปอย่างเงี้ยยิ่งช่วยคนอื่นยิ่งช่วยคนอื่นยิ่งช่วยคนอื่นใช่ไม้มเขาก็ได้รับผลประโยชน์จากที่เราช่วยอันนี้ขอเตือนว่าประโยชน์ท่านในที่นี้ต้องหมายถึงประโยชน์ในด้านที่ดีนะในด้านที่ถูกต้องเมื่อวานบอกไปทีแล้วไม่ใช่แค่ ตามใจเขาไม่ใช่แค่เอาวัตถุข้าวของที่เขาถูกใจเขาชอบใจแล้วก็ให้เขาแล้วเขากินเหลือก็ เ, กเพร่มขึ้นเพิ่มขึ้นถ้าอย่างนั้นเป็นประโยชน์แบบโลกโลกเป็นประโยชน์แบบโลกโลกไม่ใช่ประโยชน์ในแง่ของโลกลุตละไม่ใช่ประโยชน์ท่านที่แท้จริงถ้าประโยชน์ท่านที่แท้จริงเนี่ยต้องหมายถึงประโยชน์ที่เราให้ข้าวของเขาเขาจําเป็นต้องใช้เขาจําเป็นต้องกิน เขาจําเป็นจะต้องมีนะมันไม่ใช่ว่าเป็นไปเพื่อกิเลสเขาแต่เป็นไปเพื่อปัจใจสี่เป็นไปเพื่อการที่เขาจะต้องดํารงชีวิตอยู่ได้อย่างดีอ่าแล้วเราให้ไปแบบพอดีพอเหมาะพอควรอย่างนี้ถึงจะเป็นประโยชน์ท่านอันนี้ในแง่วัตถุยิ่งถ้าให้ทางจิตใจบอกแล้วให้ให้ทางจิตปิญญาณโอ้เราให้เขาไปแล้วเราสอนเขารู้จักมักน้อย ถ้าเป็นยุคนี้คําว่ามักน้อยพ่อท่านใช้อีกคํานึ่งพ่อท่านใช้คําว่ากล้าจนถ้าคำของพ่อท่านพ่อท่านใช้คําว่ากล้าจนแต่ถ้าเป็นคําโบราณเนี่ยอันนี้อาตมาตีความเอาเองนะถ้าเป็นคําโบราณใช้คําว่ามักน้อยแต่ถ้าเป็นยุคนี้พ่อท่านใช้คําว่ากล้าจนเพราะฉะนั้นถ้าเราให้ทางจิตวิญญาณเนี่ยเราจะให้เขาได้รู้รู้จักกล้าจน นะไม่ใช่ไปมักมากไม่ใช่จะต้องไปโอ้โหมีเสื้อผ้าหรือขายยิ่งให้ข้าวของยิ่งให้เงินทองยิ่งอยากได้เยอะๆยิ่งอยากได้ไดมาๆกๆกลายเป็นคนขี้ขอขายให้อะไรก็เอาหมดเอาหมดด้วยความโลภด้วยความอยากด้วยความปรารถนาโอ้ถ้าอย่างนั้นสังคมสงคเคราะห์ไม่ใช่ช่วยแบบของหลักการของพุทธศาสนาจริงๆ ถ้าหลักการของผู้าศาสนาจริงๆแล้วเนี่ยช่วยคนคือการสร้างคนด้วยไม่ใช่สักแต่ว่าช่วยช่วยไปนะถ้าช่วยโดยทางาศาสนานะจะเป็นแบบนี้าศาสนาที่แท้จริงด้วยนะอันนี้ถ้าเราเข้าใจนะแล้วดูตอนนี้ถ้าลาบพวกเนี่ยมันจะพิสูจน์ใจเราอย่างไงถ้าเรามักน้อยได้เราสบายใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราจะไม่ติดหลงละคนนี้ แต่คราวนี้มีอีกเหมือนกันคนที่ติดหลงโดยที่มีสิ่งพิสูจน์ว่าคุณจะติดหลงลาบไหมคราวนี้ไม่ใช่มีคนมาให้คุณเยอะๆแล้วที่นั้นแง่มุมหนึ่งแง่มุมที่ว่ามีคนศรัทธาคุณมากเลยแล้วคนเอาขอมาให้คุณเยอะๆใช่ไหมแล้วคุณก็ยินดีพอใจคุณก็โลภคุณก็อยากได้เอออันนี้ชี้ได้พิสูจน์ได้ว่าเออประโยชน์ตนเราเสียละแต่อีกมุมหนึ่งคราวนี้ บุมของราบเนี่ยแหละพิสูจน์ได้โดยการที่เราไม่ค่อยได้ลาบ <c oughs> คือไม่ค่อยมีใครให้ลาบเราเพราะว่าลาบนี่จะตรงข้ามกับอะไรในโลกกระทำแบบเออลาบมันจะตรงข้ามกับเสื่อมลาบนะคือปรากฏว่าแหมบางทีโอ้โฮสมณรูปรน้นก็มีคนถวายของสามณรูปนี่ก็มีคนถวายขอ ง, มของแม้ที่เราไม่มีใครมาให้บ้างเลย อชักหนอยเลยสีกร น, นี้ชักหน่อยชักรู้สึกว่าโอ้ทําไมเราบา ร, รมีต่ําเตี้ยเหลือเกินนาบา ร, รมีเราทําไมมันติดดินจังไม่มีใครเห็นอะไรอ่ะคุณงามความดีหรือว่าการปฏิบัติ ด, ดีปฏิบัติชอบของเราบ้างเลยหรื อ, อยังไงทําให้แม่ไม่ค่อยมีใครศรัทธาเลยเหรอนะไม่ค่อยมีใครเอาอะไรมาถวายเราเลยเนี่ย วัดได้จากความน้อยใจวัดได้จากความขดหูห่อเหี่ยวใจเมื่อเสื่อมลาบหรือเมื่อไม่ได้ลาบอันนี้ก็ผานประโยชน์ต น, น เ, เ, เ, เหมือนกันประโยชน์ตนก็เสียเพราะกิเลสเหมือนกันนี่ยังติดอยู่ในโล ก, กธ ร, รมทนะถ้าใครมีสภาวะจิตแบบนี้ยังติดอยู่ในโล ก, กธรรมยังไม่พ้นโล ก, กธรรทแปะเพราะพอพอไม่ไม่มีลาบ เข้ามาโอ้โหรู้สึกเซ็งเหลือเกินชีวิตนี้อุตส่าห์มาบวชแล้วนึกว่าจะสบายนึกว่าจะได้โน่นได้นี่ที่ไหนได้ดูสิไม่มีใครให้มีหน้ำซ้ําบางทีเจ็บป่วยยังไม่หมายังไม่ค่อยแลเลยอย่าว่าแต่คนเลยมาวัดนะนะหมาวัดยังไม่ค่อยแลเลยอย่าว่าแต่คนเลยโอ้จริงๆบางคนมีจริงๆรงพอเกิดสภาวะอย่างนี้เนี่ยก็น้อยใจอะไรต่ออะไร กิเลสทั้งนั้นนะ่ยพวกเนี้ยนะซึ่งอันนี้แหละจะเป็นเครื่องพิสูจน์ผลของการปฏิบัติธรรมเราแล้วเราจะเรียนรู้ได้ชัดเลยพอรู้พอเราเห็นอย่างนี้เราจับจิตเราได้เรารู้ทันทีเลยว่าโอ้โหนี่เรายังติดหลงอันนี้อยู่นะยังประมาทยังมัวเมาอยู่ยังเข้าไม่ถึงประโยชน์ตนของเราถึงได้ยังยั ง, ย, งยังอยากได้ลาบโน้นได้อยากได้ลาบนี่มา นั่นนี่ตัวที่หนึ่งซึ่งอาตมาบอกแล้วว่าพ อ, พอพูดถึงโลกธรรมํา แ, แล้วคุณจะเห็นชัดเห็นง่ายกว่าเมื่อวานนี้ที่พูดสีลห้าให้ฝังอ่ะพอตัวที่สองลาบแล้วแหละยศแม่บวชเป็นสมณะมาตั้งนานแล้วตั้งสิบกว่าพรรษาแล้วนึกว่าจะได้เป็นสมภารทักทีสมมติบางคนคิดนะะสมมติว่าเป็นนักบวช ดูสิเรายังไม่ได้เป็นเจ้าคุณเลยเรายังไม่ได้ตำแหน่งอะไรบ้างอ่ะทางพระเนี่ยพระคระคู <c oughs> อะไรอีกอะเจา้ <c oughs> จาคณะเจ้าคณะตำบลอำเภอจังหวัดอะไรก็แล้วแต่นะหรือยศนั้นยศอะไรบ้างอ่ะเขามียศอ่ะนักธรรมบ้างป ร, ริญญาอะไรนะป ร, ะริญญาเก้าหรืออะไรอีกพระเทพอะไรต่างๆนะ ไม่รู้อ่ะมันก็จําเขาไม่ค่อยได้อะนะออชั้นอะไรเขาหลายชั้นบางทีอ่ะดูนะคราวนี้พอเรื่องยศเราติดไหมเราทำเนี่ยเราทําประโยชน์ตนเราทําประโยชน์ท่านเนี่ยจริงหรือเปล่าอย่างเช่นยิ่งบางทีเนี่ยเป็นอะไรนะพระนักพัฒนาอา้าวโหช่วยเหลือชาวบ้านช่วยนั่นช่วยนี่แหมไม่เห็น มีรางวัลอะไรมาให้เราบ้างเลยไม่อะไรนะหนังสือพิมพ์ก็ไม่เห็นจะลงบ้างเลยหน้าข่าวข่าวก็ไม่เห็นมีใครเนี่ยดูซิเราอุตสาห์ช่วยตรงนั้นช่วยตรงนี้ไม่เห็นเอาเราไปลงหนังสือพิมพ์หน้าหนึ่งบ้างเลยนะอาจจะน้อยใจหรืออาจจะอะไรก็แล้วแต่แต่อันเนี้ยเป็นเครื่องพิสูจน์ทีเหมือนกันว่าโอ้เรายังติดอย่งงางนั้นอยู่หรือเปล่าเพราะอโศกเราเนี่ย สมัยแรกๆเลยเราก็ไม่มีสมผานนะสมัยแรกๆเลยเพราะว่านักบวชก็ยังน้อยหนะ้าแต่ละที่ก็ก็ดูแลกันไปอาศัยใครเป็นพันเตใครบวชก่อนใครเป็นอาวุโสใครบวชทีหลังก็ช่วยเหลือดูแลกันไปจนกระทั่งมาถึงยุคหนึ่งเรารู้สึกว่าเอ๊ะมันไม่ได้อะการบริหารงานนะรู้สึกว่าต้องมีผู้รับผิดชอบอ่า บางทีเนี่ยเขาจะมาติดต่อเขาจะมาสอบถามอะไรอย่าง น, น้อยก็น่าจะมีผู้ใหญ่หรือหรือว่าผู้ที่หมู่กลุ่มเนี่ยหมู่สงยอมรับว่าผู้นี้คือผู้ที่เหมือนกับให้บริหารแต่หลังเราก็เลยมีสมภารขึนมาเมกันแล้วมามีภายหลังนะมีสมภารขึ้นมาสรุปปีนั้นๆผ่านมาก็เลยแต่ละที่ก็มีสมภารแล้วก็มีลูกวัดคราวนี้ มีสมภารมีรองสมภารแล้วก็มีผู้ผู้ช่วยดูแลบริหารต่างๆจำไม่ได้ว่ามีอยู่กี่ปีไม่รู้ก็หลายปีอยู่เหมือนกันไม่รู้จะถึงสิบไหมแต่คิดว่าคงไม่ถึงสิบปีระบบสมภารมีมาได้ระยะหนึ่งนะซึ่งเราก็ทำกันไปก็แบงกันไปทากันไปเสร็จปรากฏว่าไปไ ป, ไปมามา มันมีส่วนดีเหมือนกันระบบของสมพานแต่ก็มีส่วนเสียเหมือนกันเพราะไปไปมาๆไงนะผู้ที่มีตําแหน่งนั่นแหละโดนเหมือนกับเอาโซ่ล่ามไว้ไปไหนไม่ได้น่ติดแยกอยู่อกันแล้วอะไรอะไรก็โยนให้สมพานอะไรอะไรก็โยนมาให้ผู้มีตําแหน่งอยู่เรื่อยเลยแต่จริงนะก็มีแหม่มีอํานาจนะอเพราะว่าได้ตําแหน่งเน่ะ อันนี้แหละจะเป็นสิ่งพิสูจน์ล่ะถ้าพอได้เป็นสมภารหรือว่าได้ยศฐานะได้ตําแหน่งขึ้นมาประโยชน์ตนของเราคราวนี้ดูนะประโยชน์ตนของเราเราหลงไหมเราติดในตําแหน่งนี้ไหมถ้าติดในในยศในตําแหน่งพวกนี้เราจะมีนิสัยบ้าอํานาจเพิ่มขึ้นเราจะมีลักษณะของผดดเด็จการมากขึ้นเพราะบางสิ่งบางเรื่องเนี่ยเรา อยากจะโคลมโคลมนะพิจารณาตัดสินไปเลยเพราะเรื่องมันเยอะอะบางทีเรื่องมันมากอะ่ะไอ้นุเข้ามาไอ้นีเข้ามานะความที่เราเนี่ยบางทีจะรีบให้มันจัดการให้มันเสร็จเสร็เรเร็็จบางทีเนี่ยเราจะเริ่มบางทีเผด็จการหรือว่าตัดสินใจอะไรไปโดยที่คราวเนี้ยอาจจะไม่ค่อยมีหมู่มีมวลละเราก็ใช้ของเราตัดสินไปเลย หรือบางทีการบริหารเนี่ยมันก็ต้องมีว่าคนอื่นคิดไม่ตรงกับเราบ้างหรือค้านแย่งกับเราบ้างบางทีเนี่ยถ้าเราเผลอรประโยชน์ตนของเราในเรื่องของยศอันนี้นะเรื่องของอำนาจเราเผลอเมื่อไหร่เนี่ยเถียงเถียงไม่ได้นะฉันสมพานนะเ อ, อมาเถียงอย่างงี้ได้ยังไง อ, อ่าก็ฉันตัดสินอย่างงี้แล้วก็ต้องทําตามอย่างงี้สิ อ่าบางทีเราเริ่มเริ่มจะมีลักษณะนี้ออกมาถ้าอย่างเงี้ยเราเริ่มพรานประโยชน์ตนของเราแล้วโดยที่เราไม่รู้กิเลสเรา